ไม่ใช่อื่นไกลตัวตามานี่เองปฏิบตัติไม่รู้ว่าจะทํำยังไงไม่รู้ว่าใจมันหยุดที่ไหนอะไรเป็นอะไรเลยวุ่นไปทั้งหมดนั่นเองเนี่ยเป็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มากเหลือเกินมิเท่นนั้นบางคนในกลุ่มนี้อาจจะมีก็ได้บางคนอาจจะเบื่อก็มีมานั่งกรรมฐานนี่ว่ามันไม่รู้อะไรมันไม่เป็นอะไรนั่งให้สงบมันก็ไม่สงบบางทีอาจจะเบื่อก็ได้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 ไม่ชอบให้มันชอบก็ไรปรุงสิ่งที่ไม่จริงให้จริงก็ได้เพราะความหลงของเรานั่นเองดังนั้นต่อไปนี้จะยกตัวอย่างให้เข้าใจจงตั้งใจดูแล้วก็ฟังด้วยนะลังคังใบนี้ใครว่ามันโตรหรือมันเล็กอือตอบได้ไหมเ ล, <ะ>เล็กนะครับเล็กเลย ไม่ใช่มันโตแล้วเนี่ยฮเข้าใจอย่างนั้นนะนี่คือนี่ยมันเป็นรูปเนะความรู้สึกเรามันเป็นนามมันมีอยู่รูปมันมีอยู่แต่ว่านามมันมีอยู่คือจิตใจเจตนาของเราอย่างนี้อ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 เฉพาะระครังใบนี้มันก็แค่นี้มันไม่โตขึ้นเมื่อเอานี่มาใส่ทำให้มันถึงโตขึ้นมันเป็นเพราะอะไรอนี่เลยนี่เรื่องจิตใจเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมุติว่าคนทุกคนมานั่งเดี๋ยวนี้เห็นละคังใบนี้มันเล็กไปนะเห็นละคังใบนี้มันเล็กไปหรือว่าเห็นละคังใบนี้มันโตไป เอาบาดประพาระโรมาตั้งตรงนี้จะได้เห็นละคังใบนี้มันเล็กไม่โตซะแล้วแต่บาดประพกรโรไม่มีอันนี่มันเล็กเอาบาดพระพกรโรมาตั้งพุบบลงคังนี่เล็กแล้วทำไมเป็นอย่างงั้นเล่าทุกคนถ้าหากว่าเห็นอ่าละคังใบนี้มันเล็ก คือคนทุกคนอยากให้โตวกว่านี้อยากได้ละคังใบนี้ให้มันโตวกว่านี้ลงคังใบนี้มันก็เล็กลงอีกคนหนึ่งอยากจะให้ลงคังใบนี้มันโตวกว่านี้มาเห็นละคังใบนี้ก็เล็กความเป็นจริงละคังใบนี้ถ้ามันอยู่อันเดียวมันก็ไม่โตไม่เล็กมันเยอะแค่นี้นี่ใครทำให้มันเล็กเหมือนโตไม่ใช่ตันหาเหลย คือความอยากให้มันเล็กอยากให้มันโตแต่ละั้งใบนี้มันกว่า่เล็กมบโตมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าตัณหาคือความอยากนี้ทำละข้งใบนี้ให้โตคือเย่ยวนี้ก็ได้ทำละข้งใบนี้ให้เล็กลงด้วยนี้ก็ได้คือความหลวงมันบีบบังคับอย่างนี้เองเราจึงไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรกันแน่นอนดังนั้นเราจึงควรอบรมจิตใจของเราให้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 ทุกคนตั้งใจมาทำกรรมฐานเพื่อให้จิตมันสงบว่าอยู่ในบ้านมันไม่สงบมาอยู่ในป่ากับสำนักคุณแจ๊กนี่มันมป่าสงัดดีมันจะสงบดีแล้วก็มาอยู่ป่าอย่างนั้นอยู่บ้านนึกว่ามันไม่สงบมาถึงป่าที่ดีแล้วสงบทุกคนไหมสงบทุกคนไหม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 อันนั้นมันเป็นสถานที่สงบภายนอกเท่านั้นเนี่นํามาอาศัยตรงนี้ก็ช่วยกันขึ้นอีกอย่างสาต์แต่ก็มานั่งบางคนก็ยิ่งคิดมากเหลือเกิน <c oughs> ก็ยิ่งไปขนาดใหญ่เลยนี่เพราะอะไรนี่ก็ควรพิจารณาดูสินี่คือคือเรานี่ไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรนั่นเองมันถึงเป็นอย่างนั้นอัตมานั่งก็มาทานใหม่ๆ ไม่อยากจะอะไยินอะไรมันกวนเราเอาขี้พ nee ึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดมันจะดีเห็นเงียบยังไงเอาขี้พึ่งมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในป่าเงีาบเงียบแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวุ่นก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเปลี่ยนพระอรหันได้อย่างเนี้ยก็คิดไปอย่างงี้นี่ธรรมารู้ เรื่องว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรจึงทาหาอย่างนั้นอาตมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันแต่ยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากนะดัแต่ในจึงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแกะทาความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งนี่มันสงบนะ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 ไปนัง่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินเพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นเลยไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นเลยหารู้ไม่ว่าเราไปเราไปกวนเขาไม่ใช่เขามากวนเราเนี่ย กงกันข้ามเลยเนื่องว่าเขามากวนเราไอความเป็นจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่ารถมันมักก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดไม้มันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมันก็ไม่กวนเรานะที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่านี่มาที่นี่รถมีเสียงหมหรือเราเดินมาที่นี่ นี่นั่งมันมาถึงนี่ทำไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนาเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้แบบปัญหาก็หมดใช่ไหมนะนี่เร า, เรา เ, ราเราเป็นเรารถเป็นรถวางไปคนหนาทีระทางมันก็สบายเลย น, ะนั่นเนยอันนี้เราก็พ่อเราที่ไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ให้ <c oughs> เป็นอย่างนั้นไหม <laughs> อย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นยังเราปลูกอาคารหลังนี้ยังไม่เสร็จบรรทุกปูนมาเด็กมาไม้มามารวมกันหนึ่งกองใหญ่ก็เกะกะไปหมดมาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะมันทำอาคารนี้ยังไม่เสร็จมันก็เกะกะไปหมดเท่านั้นนะฮที่นั่งไม่มีน่ใครมานั่งก็นั่งไม่ได้เพราะอาคารนี้ยังไม่เสร็จ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 มันร้อนมันหนั่งไฟมันร้อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรน่นเด็อย่างอาคารดังนี้ตรงไหนควรเก็บไปที่ไหนเด็กตรงไหนไปตรงนั้นก็เก็บไปตามที่มันมนั่ก็เรียบร้อยไม่มีอะไรแล้วไม่เกะ ก, กะนั่งสบายเสียงมาก็ทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจมูกกลิ่นมื่อกระทบจมูกก็ปล่อยมันไปตามเรื่องมันซะ รถที่มากระทบรินก็ปล่อยให้มันเสียอะไรที่มากระทบร่างกายปวดสะพานนั่นก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่มันเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียก็หมดเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละ <laughs> นี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลาบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเราดูแล้วก่อนนะอายนะเห็นไหมเห็นในตัวของเราไหมเนี่ย รู้จักในตัวของเราไหมที่พูดมานี้นี่คือธรรมะมันอยู่นี่ถ้าพูดขึ้นไปบนอากาศคงไม่รู้เรื่องเพราะธรรมะไม่อยู่โน้นมันอยู่นี่นี่วันนี้ให้รู้จักความสงบจ้ะแทนเดียวการปล่อยวางแล้วก็สงบเด้วก็นั่งสมาธิเดี๋วก็สบายรูปมาเสียงมากลิ่นมาก็ปล่อยมันเดวก็เป็นเอกเป็นเอกขัตาจิตอยู่สบายมีแตปัญญามันเกิดขึ้นนั้นแหละนี่ สิ่งที่มันเกิดมาโยวยนพวกคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นกรรมเก่าด้วยกรรมใหม่ด้วยที่สร้างไปแล้วเมื่อถึงเวลานี้มันปรากฏการขึ้นมามันประสบการณ์ขึ้นมาก็มายโยวยนของเก่าบางคนก็คิดถึงอโนบางคนก็คิดถึงอันนี้สารพัดอย่างที่เราสะสมไปแล้วนะแล้วบัด น, นี้มันลุกมาเล่นงานนี่กฎที่ว่าทำดีมันได้ดี ทำชั่วมันในชั่วก่อนเมื่อจะทํานั้นก็นึกว่ามันดีแต่ไปทํามันแท้มันไม่ดีไอความไม่ดียังไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นบัดมานั่งแดีวมันมากวนเราเห็นไหมควรทุกสิ่งทุกอย่างสารพัดอย่างที่เราทํามาแล้วนะั่นนะ่ะนี่ท่านว่ากรรมกรรมมันมาก่อดกวนหนี่ของเก่าเนี่ยยังไงต้องอดทนในทํามาแล้วอดทน ใช่หนี้อัตมานี่นั่งใช่หนี้มันเกือบจะอาหกสิบกว่าปีแล้วนี่มันก็ยังไม่ค่อยจะหมดนะโยมจะมานั่งใช่หนี้วันสองวันจะให้มันหมดยังไงมันยากอย่างนี้แหละแตมาพยายามใช่หนี้มันมันก็ยังจะไม่ค่อยหมดบางทีมันยังมากวนอยู่นี่นะระวังต่อไปนะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่มันก่อกวนอย่าไปทำมันขึ้นมา ถ้าไปทำมันขึ้นมาแล้วไม่ก่อควรเวลานั้นมันก่อควรเวลานี้ไม่ก่อควรวันนี้ก็ก่อก่อควรพุ่งนี้ไม่ก่อควรเดือนนี้ก็ก่อควรเดือนหน้าไม่ก่อควรปีนี้ก็ก่กอควรปีหน้าไม่ก่อควรชาตินี้ก่ก่อก่อควรชาติหน้าท่านจิงว่าดักพุทธศาสตร์ทาดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เข้าใจไว่อย่างนี้อย่างนี้ให้จําไว้ สิ่งที่ทํามาแล้วก็เรียกว่าอดีตมันก็แล้กวก่อนทํามันแล้วไปอสิ่งอนาคตอที่ที่จะสิ่งที่จะทําสิ่งที่มันก่อควรบุญนวายก็อย่าเพิ่งทํามันก็ให้มันหมดค่อยๆค่อยๆหมดไปเหมือนน้าใส่ในขันนี่เอาน้ํามาเทียใส่เต็มเนี่ยวันนี้ก็ตักอีกแก้วหนึ่งเทออกซะพรุ่งนี้ก็ตักใส่อีกสักแก้วหนึ่งก็เทออกปะนานๆวันเดียวน้ํานี่ก็หมด ถาจะไปเอาออกอีกแก้วหนึ่งวันนี้พรุ่งนี้เอามาเติมอีกแก้วหนึ่งนะอย่างนี้ไอ้ปืนปืนเนี่ก็เอาอีกแก้วหนึ่งนะต่อเอามาอีกแก้วหมดไม่ได้พอแล้วมั้งเอามากมันจะหนักไปนะมั้งเอาพอดีพอดีนาะเข้าใจไหมเอาออกเอาเข้าอีก ของเทียมไม่ดีก่อวนบุญวาเอาออกออกเนืยเนี่ยก็หมดนะเอาออกแล้มาใสอีกไม่หมดบุญวาเต็มทีเนาะอยากเนอะมันมันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างเราทํางานเมื่อเราจะทํางานเนี่ยไอ้ความขี้เกียจมันมาประทับใจเราก็เห็นไหมถ้าไปเชื่อความขี้เกียจไม่ได้เงินแล้ว ขี Savior, uh, ้เกียจก็ต้องฝืนไปพอเราจะใช้เงินอย่างนี้คําสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะมันมันขวางไหมถ้าจะไปทํางานมันขวางขี้เกียจต้องเอาชนะมันให้ได้นักกรรมฐานเหมือนกันลั้นตะค่างเฮงให้ลุกตือนว่าอยากจะนอนต่อไปอีกแล้วนะเห็นไหม มันต้องฝื้นปึบมันต้องฟื้นมันอย่างนี้ถ้าไปเชื่อความขี้เกียจก็ไม่มีใครมานั่งกาารรมฐานสักคนหนึ่งเลยใช่ไหมวันนี้รับพรนะรับพรซะว่าให้เก็บแสบหลายอย่างแล้วก็วจะเป็นกรรมแล้วรับพรซะ <c oughs> ยะถาวารีวหฮาปุราปิปุเรนติสะครังอวเมีวาอิโตจิน e ังเพตานังอุปกปติอจิตังปะิตังตุมหังกิปเมีวะสังยตุสพ um ีปุเรนตุสังกะปายจันโทพนารสูยะถามณิโชติราสูยะถาสเบเทอเววาจันโท สัมบรววินาจมะเนโมัวันดารยสุขีตกายุโคบวอบิวัดนสติจังอุตตจนชาตารวธรมวัดนอวันโสุขังมะ สัพพังการังรั a ขันธุส a พเพเดวะตาสับะขุทัตถ a วนาสันดัสสุทีภวันตุเตอาวัตุส g พพังการังรักขันธุสัพเพเดวะตาสับะธรรมะวินาสันดัสสุทีภวันตุเต มาวัทุสาปมังกรางราคันโุสาปเิวะตาสาบาสังกาลุฟาเวนสสสัสตาโสตีฮาวันโตเตหน้าที่ของพระสงฆ์ส่งมาถึงนี้นะต่อไปจะเดินไปก็นั่งรถไปก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของโยมจะไปเอง ใครรีบกว่านั่งรถไปใครไปจะช้ากว่าเดิน ดีๆนะจะเอาเสียงนี่เอาเสียงไอ้ไอ้ไอ้ชาวตะวันตกไหว้พระเนี่ยไปให้เมืองไทยฟังเน <laughs> ี่เอาเอาขึ้นฟังอาไรเนีนยจะคิดถึงโยมอมั้นเนี้ยเนาะเนาะเอาวันนี้ถึงเวลาที่จะมาพบพวกท่านทั้งหลาอีกแล้ว จำเป็นจะต้องขอโอกาสพวกท่านทั้งหลายตามเคยวันนี้รู้สึกว่าประชาชนมาเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการถ่ายทอดฉายหนังด้วยใช่หรอทุกวันที่ผ่านมามพูดถึงเรื่องกรรมาฐานทำจิตใจให้สงบทุกครั้งทุกเวลามาแล้ววันนี้พวกท่านทั้งหลายคงจะทราบซึ่งในอิยาบทของพระสงฆ์ในหนังด้วยวันนี้ วันนี้จะขอพูดถึงวัฒนธรรมเมืองไทยบางท่าน<ม>บางคนอาจจะสงสัยว่าพระสงฆ์นี่คืออะไรมีไหว้ทำไมมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นก็เคยจะมีบ้างพระสงฆ์เมืองไทยเป็นหลักป้องกันความวุ่นวายจาพวกหนึ่งเรียกว่าพระสงฆ์มีประโยชน์มากเจียวข้องกับประชาชน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 ทุกวันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เมื่อไรก็ทันสมัยคือไม่มีของเก่ามันใหม่อยู่เรื่อยเช่นว่าคนทำดีก็ยังใน ด, ดีอยู่คนทำชั่วมันก็ยังในชั่วอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ต้องเปลียนอยู่อย่างนี้มิฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าจึงเป็นของใหม่อยู่เสมอไม่เหมือนจิตใจของบุคคลเราระยะเวลาประมาณสักหกเสีบกว่าปีมานี้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 พูดในคิดนะไม่ใส่สอนให้เชื่อไม่ใช่สอนให้เชื่ อ, ส อ, อสอนให้ไปพิจารณาดีดีเอาไม่ดีมันก็เทิ่งไปวัฒนธรรมของเมืองไทยพูดถึงลูกหลานกับพ่อแม่คนแก่พ่อแม่มีลูกหลายคนแก่มาแล้วลูกแย่งกันเอาไปปฏิบัติแล้วคนนั้นเอาไปปฏิบัติเจ็ดวันสิบห้าวันแล้วคนนั้นไม่สบายใจเอาไปปฏิบัติให้อยู่สบายกัน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 ถ้าหากว่าเราแก่มาเป็นอย่างไงั้นจะเป็นงไงจะสบายไหมอันนี้ประการหนึ่งอัตมาเสียงเห็นแต่ยังไม่รู้นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้มันแปลกมีความรู้สึกอย่างนั้นมีความรู้สึกในใจว่าเรี่ยงลูกขึ้นมาไม่มีความหมายอะไรมากลูกไม่ช่วยแม่ช่วยพ่อแล้วก็ปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ัฒนธรรมนี่น่าพิจารณาอยู่เหมือนกันนะ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 วัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยมีตันหาเป็นผู้อำนวยการมีสุขในปัจจุบันแต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของพระพุทธเจ้ามีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปหรือมีสุขในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิบากต่อไปวัฒนธรรมของตันหานั่นมันมีทุกข์ในปัจจุบันด้วยเดี๋ยวก็มีทุกข์เป็นวิบากต่อไปด้วยอย่างนี้ญาติโยมจะเลือกเอาอะไรก็เอา แต่เป็นอย่างนี้แต่ที่พวกเราทางไหนนั่งสมาธิกันนี้มันดีแล้วมันสงบแล้วแต่ว่าเราไปทําข้างในมันก่อนอย่างอตมามาจากเมืองไทยนะเข้าไปท่าอากาศไซ ย, ยานนะเขาต้องตรวจนะเรียบร้อยเึงไดเข้าไปนะไม่ได้เข้าไปเลยเราเปรียบร้อยพัสดปอดมีไหมใบเดินทางมีไหมอะไรๆมีไหมเขาจึงปล่อยให้ไปนี่อันนี้เราต้องตรวจซะก่อนจะคอยไปนั่งสมาธิมันถึงสงบง่าย อันนี้ไม่เรียบร้อยไปนั่งไม่ค่อยสงบหรอกอืมไม่ค่อยสงบดีฉะนั้นศีลธรรมนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างหนึ่งใครมีความเหลือดร้อนหรือเปล่านั่งสมาธิไม่สงบมีหรือเปล่าตรงนี้ตรวจดูใหม่นะอาจจะมีเป็นของซ่อนภาษีเขาก็ได้เนี่ยยังไม่สบายนี่ฮ <laughs> ะ <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนั้น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 คอยแต่หายแจ็คหรือมาสอบอารมณ์อยู่นั่นแหละมาเทศ่ยนไ้ฟังยังงั้นแล้วไอ้ตัวเราไม่สอบอารมณ์ตัวเราเองว่ามันิดที่ไหนมันถูกตรงไหนมันเป็นอะไรไม่แก้ไขตัวเองอย่างนี้อาศัยแต่คนอื่นอย่างนี้เรื่องมันก็ไม่จบเท่านี้ก็พอนะ้มั้ง <laughs> ถ้าคนถ้าคนหิวอาหารนไม่ต้องนั่งเฝ้าสำรับนานหรอกมาถึงก็ตักเลยใครมีปัญหาอะไรไหม มันยังอยู่ตรงไหนปัญหานี่มันอยู่ที่ไหนนี่อาม่ามันหมดอก็บจับใส่กระเป๋าไปเทเมืองไทยให้หมดปัญหามากเกินตรงนี้ก็ถามว่านะครับเรื่องเมืองไทยมี วัฒนธรรมของ พ, พุทธเจ้านั้นแต่ว่าทําไมเรื่องการบ้านการเมืองก็นยุ่นยากแท้นะครับอา้าวอันนั้นไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้ามันเปเรื่องการบ้านการเมืองต่างหากกันนะยังยังเมืองนี่กฎหมายมีอยู่ดีอยู่ทําไมมันถึงมีโจรมีขโม ย, ยวะที่จะไปขโมยคนไม่ใจกฎหมายไปขโมยเนี่คนไปขโมยนี่วะมันค น, นเรื่องการ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 อยูช่าบ้านหรือจะมาฝึกกรมรมฐานนั่นน่ะนี่เ ข, า, เขาอยู่ในบ้านหรือจะมาฝึกกรมรมฐานอยู่นี้เพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาวันนี้ น, น, น่าจากจะภาวนาอยู่ในบ้านมากกว่านั่งเนาะลุงพ่อเมื่อใดอธิบายเรื่องอโกหกเจ้าของขโมยจากเจ้าของกันนั่นก็หมายถึงมีความหมายอย่างไร ยังไม่เคยโกหกเจ้าของนื้นั่นนะดูไปอีกเถอะเดี๋ยวเห็นแล้วดูเอมามาอยู่ในเจ้าของนั่นแะไม่ต้องไปศึกษาคนอื่นเลยดูในจิตเจ้าของนั่นแหละมันจะรู้จักโกหกเจ้าของไหมคนมันไม่รู้จักโกหกเจ้าของก็โกหกคนอื่นด้วยไปเท่านั้นเนะี่ยเขาก็ถามเรื่องขโมยเกี่ยวของมากกว่าแล้วให้หลวงพ่ออธิบายนะครับอธิบายอะไรอีกล่ะมันขโมยมันกง ข, โ ม, ขโมยเท่านั้นเดี่ยก็หยุดมันซะทิ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 แล้วพวกนี้ทํางานอะไรอ๋อนี่เมืองไทยมันโง่เหลือเกินเนาะปลูกผักก็ยังให้เมืองนอกไปให้ไปสอนให้ปลูกนี่ไงอย่าให้มันกินจะดีกว่าเ น, ะ น, น, นาะแต่มันกินผังเป็นนี้มันปลูกผักให้มันเป็นนี่ปลูกผักไม่เป็นอย่าให้มันกินเมืองไทยนี่ เรามัน อ, ม อ, มอยานตามชนบทแต่เมืองใช่อันนี้มันก็ไม่ค่อยยากล็อกไปอยู่ตามบ้านนอกอืเกี่ยวแก่ประเพณีเท่านั้นอ่ะค่อยๆอยู่ไปรู้ไปโหเรามีตาเราเห็นอยู่ค่อยๆรู้จั ก, กลรอกอืเขากินเขาเนี้วก็กินเขาเนีว้วเขาไปเขาจีบปลาล่าเขาจีมปลาล่าเข้าไปนานๆมันก็ได้หลายเดือนเนี้ยมันก็ติดเมืองไทยแต่มันคิดถึงปลาล่ามันมากไม่ได้ <laughs> อันนั้นมันกองเชื่อมในง่ายแร้วไม่มีอะไรเลยมัหลักการวิชาการเรามีอยู่แล้วนะอื ม, มก็ก็ไม่ค่อยยากอะไรเท่าไรนะ <c oughs> พวกเรามากันเมื่อไรละ่ะมากี่เดือนกี่ปีแล้ว <c oughs> น่ะก็พอแล้วมั้งเลยสอนไปเพิ่มยิ่งมันจะเลือกกระบุงงละมั้งจะพายไปไหวไหมน ะ, <c oughs> นะออืืมค่อยๆคนรับยัยรับไปทีมากแล้ว รับที่ได้น้อยขวาจขยายไ้มันศึกษาด้วยตัวเองแต่คนเราไปตรงไหนเมื่อไรเราจะกลับละ่ะน่ะสบายไหมไอ้มันสบา ย, บายเถอะอยให้มันไม่สบายเถอะบายไอความสบายนี่ก็สำคัญนะเป็นฝีกเก่ายู่นี่มันปวด เป็นไงอยู่สบายไหมสบายทั้งวัดฝีอยู่นี่ก็มีเพื่อนมาเห็นกันนะสั่งยังมอยู่สบายมั้ยสบายไม่รั่วามาันดูดไปเมืออ่อไร <c oughs> <c oughs> เวลาเพียงไงเวลาพอ้หรือ ยังเวลามานันมากเลยนะสงสัยเห่าทะเลฝนว่นสงสัยสันสคือฝอเขาในเห่าแทะเครื่องงมูกเป็นไงก็ไม่นนอะไรเขาไม่ใช่ถามเท่าไหร่ครับเขาก็มีความรู้สึกอยู<ห>่แล้วเขา อ, อยากจะออืให้เราทราบด้วยนะครับออืคลําไปนั่นนหะอาจารย์คลําคลําเรื่อยไปเนี่ย ให้เป็นอาจารย์คล้มตาในก็คืออาจารย์คล้มตานอกเห็นเนี่ยนี่มันคืออะไรกัใจเราคล้มให้เป็นอาจารย์คล้ำ <laughs> ต, ตาใจมันจะสว่างขึ้นตรงนั้นแต่คล้ำเลย b r เถอะเรื่องความเจริญในโลกนะครับลูพอเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้อำนวยการปฏิบัติเรื่อง ศาสนาหรือว่าต้องมีทั้งสองอย่างถึงใดสมสม ส, ส, ส, สมดุลนะครับมีทั้งสองอย่างโลกโลกเจริญกับมันมืดมันเจริญขึ้นเห็นไหมโลกโกท่านแปลว่าความมืดโลกเจริญก็คือความมืดมันเจริญไฟฟ้ามันเจริญขึ้นสะดวกมากตาคนก็ยิ่งบอดก็ไปทุกวันทุกวันน้ําสะดวกเท่าไรก็คนก็ยิ่งไม่อาบน้ํา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 จะต้องปลูกไว้ในใจของพุทธบริษัทเพื่อให้มีความเรื่มสเช่นว่าเราปฏิบัติพุทธศาสนานี้มีอะไรเป็นหลักเบื้องแรกครั้งแรกพระพุทธองค์ของเราประกาศพุทธศาสนานั้นในคนเพียงสองคนเท่านั้นแหละเป็นรั้งแรก ต่อมามีความเรื่มสายขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆมายมาิ่งมากขึ้นมากขึ้นตลอดมาถึงถึงห้าคนต่อห้าคนมาก็พเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆมาตลอดถึงถึงวันนี้ <c oughs> คือให้เป็นเครื่องหมายทั้งใจของพุทธบริษัททั้งหลายที่เรียกว่ารัตนตรยัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่ง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 ฉะนั้นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งยิ่งไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกมีหนังเป็นสภาวะธรรมตั้งมั่นอยู่ในโลกอย่าง น, นี้พระองค์มาเห็นธรรมะอันนี้ชื่อท่านจึงว่าพระพุทธเจ้าไอความเป็งจริงเนะี่ยแต่พระพุทธเจ้ายัางอยู่ฉะนั้นคนที่มีตาเนื้อไม่มีตาใจคือปัญญาไม่เห็นพระพุทธเจ้าโบราณการท่านจึงธทำโลหะนี่เป็นดูพระนะ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 นันท่านเรียวกว่ากราบพระพุทธเจ้าไม่ถูกนับถือพระพุทธเจ้าไม่ถูกมีความหลงไหลยอยู่อย่างนั้นลอยมากในพุทธศาสนาพุทธบริษัทนี่เป็นอย่างนี้มากเมืองไทยยิ่งมากที่สุดเดี๋ยวนี้ไปกราบท่านเมื่อทุกข์ไปหายความเดือดร้อนไมปหายก็เดีว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีช่วยฉันไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้น อันนี้คือคนไม่มีปัญญาไม่ถึงพระพุทธองค์อย่างแน่นอนพูดอย่างนี้จะไปดูถูกท่านนะบางทีจะมาหามท่านไปทิ้งในปา่าไม่ได้นะอันนี้เป็นรูปเปรียบไว้คงให้แสดงให้เด็กๆท า, ง, างไหนฟังเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นมีรูปเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมองไม่เห็นถ้าปัญญาไม่เกิดไม่รู้จักฉะนั้นจึงปั้นรูปคนนี้เป็นโลหะบงเป็นดินเผาอะไรขึ้นมาไว้เป็นพระพุทธรูปอย่างนี้อืม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 ท่านตายไปที่ไหนไม่ได้ไปที่นี้ยังอยู่ท่านรู้พระธรรมความเป็นจริงนั้นยังอยู่เนี<ม>่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระพุทธเจา้าอย่างที่เรียกว่าธรรมะนั้นยังอยู่ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเมื่อทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต<ม>้องไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ทุกมันเกิดมาจากอะไรเนี่ย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 ทุกเกิดขึ้นมาก็จะหายไปหรือทุกเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมีความกัตถะรู้ธรรความเป็นจริงแล้ว อ, อะไรที่เป็นเหตุในทุกเกิดก็รู้จักอะไรความหลับทุกก็รู้จักอะไรเป็นทุกก็รู้จักอะไรจะเป็นข้อปฏิบัติที่ถึงความรับถูกก็รู้จักแปลว่าทุกมันเกิดไม่ได้เพราะความรู้ตามปีจริงเกิดขึ้นในใจของเราแล้วนั่นคือพระพุทธเจ้าโดยธรรมะที่ยัง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 จะไปทํากรรมาฐานตรงนั้นขันตัรุ ต, ตรงนั้นขันนิพพานตรงนั้นอยากจะไปเมืองไทยไปเยอะอัตมาเดยบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่กัดสรู้ตรงนั้นหรอกไม่นิพพานตรงนั้นไม่กัดสรู้ตรงนั้นนะพระพุทธเจ้าที่กัตสรู้เลยธรรมอริยสัจไม่ได้กัดสรูตรงนั้นแล้วคนก็เข้าไปตรงนั้นเข้าไปกราบต้นโพนั่นที่กัดสรู้ที่ฐานนิพพานก็ดีใจแหละโอ้ย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 ก็คือเห็นธรรมอันแท้จริงเห็นธรรมอันแท้จริงก็คือเห็นพระพุทธตัวจริงไม่ใช่เห็นพระพุทธปลอมแต่เห็นพระพุทธประธรรมพระสงค์เห็นพระพุทธพระธรรมประสงค์จริงพระพุทธระธรรมจริงแล้วก็เห็นพระสงค์จริงขึ้นมาความสงสัยน่ไม่มีอะไรมีประโยชน์ทั้งนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วอันนี้อยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าองค์นั้น เคลื่อนจากองค์นี้ไปองค์นี้เอาเป็นเอาเป็นดูทางตาของเราเอาเป็นรูปเปรียบของเราเท่า น, นั้นที่นี้ถ้ากราบพระพุทธรูปองค์นี้ก็กราบไปนูน่นกายไปนูน่นจะกราบถึงแค่นี้กราบถึงแค่นี้มันก็ถึงโลหะเท่า น, นั้นก็กลับไปบ้า น, นก็เป็นโลหะอย่างเก่ามันแล้วไงถ้ากราบถึงพระแล้วมันต้องอะไรที่เราทำไม่ดีมันก็ต้องพยายามเอาออก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 นยก็มองหน้ามองหลังนกลัวเพื่อนจะเห็นเราอืเราจะไม่ได้ทํากลัวเจ้านายจะเห็นเรามองนั่นมองนี่ไม่เห็นใครแต่ก็ทำทำแต่ก็ดีใจนึกว่าคนไม่เห็นเรานี่คือคนโง่อถ้าคนฉลาดเนี่ยไม่มีทีทําหรอกไอ้ตัวที่เราไปทํานั้นไม่ใช่คนเดียวนะี่อย่างนี้ไม่มีทีรับทําที่ไหนต้องรู้พระพุทธเจ้าต้องรู้ธรรมะต้องรู้ ท, ทําทีไหนไม่รู้ไม่มี แน่แต่แบบปัญญาคนไม่ถึงใช่ไหมม่นจะทําความชั่วอะไรต่างๆอย่างเนี้ยกลัวคนจะเห็นใเนี้ยกลัวคนโน้นจะเห็นกลัวคนนั่นจะเห็นเนี่ยก็แอบๆไปทําอยู่ที่อยู่ที่ในน้าําหมักในห้องที่ต่างๆบ้างเนื่องว่าคนไม่เห็นเราถ้าคิดให้ดีๆแล้วไอเราไม่ใช่คนืูนี่เราเป็นคนทําไม่ใช่คนืูนี่นก็ดูถูกเจ้าของเท่านั้นเองถ้าเรารู้ธรรมะจริงๆทาที่ไหนไม่ได้ในห้องก็ทําไม่ได้ คนอื่นมาเห็นเราก็เห็นเราเพราะเราเป็นคนนีอย่างนี้ฉะนั้นธรรมะของท่านไม่มีที่ปิดบังอะไรงี้ฉะนั้นจึงให้ถือท่านว่าเป็นรัตนตรยัยอันรือันประเสริฐถ้าท่านมาตั้งอยู่ในใจของเราเราจะทำความชั่วไม่ได้ต่แล้วเราทุกคนซึ่งมาปฏิบัตินี้ถ้าจิตใจได้ถึงธรรมะถึงพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นนะจะมีความสงบเพราะว่า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 ทนั้นวันนี้เป็นเวลาที่การงานของพวกเราท่านทั้งหลายจะจบกันแล้วพรุ่งนี้ก็จะจบกันแล้ววันนี้อัตมาเห็นประโยชน์ตนและก็ประโยชน์คนอื่นพระปรมทัศประโยชน์ประโยชน์ปัจจุบันด้วยอนาคตด้วยอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจถึงพระรัตนตรยัย การถึงพระรัตนตรัยนี้เป็นเบื้องแรกของศาสนาคนมนุษย์จะศึกษาพุทธศาสนานี้ต้องสมทานปรไกรสนาคมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสียก่อนเป็นเบื้องแรกให้รู้จักที่พึ่งอันแน่นอนเสียก่อนที่เราจะทํายังไม่ได้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่น ก, ก็ยังไม่รู้จักแต่ให้รู้จักที่พึ่งเสียก่อนเป็นเบื้องแรก เพราะว่าเรายังไม่มีปัญญาจะรักษาตัวเราได้อย่างแท้จริงฉะนั้นจึงขอให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาไปช่วยเอาไว้ในใจเนี่ยเมื่อจะทําผิดอะไรใับไอ้ันชีว่าเฮ อ, ออย่าอย่าทำอย่างนั้นไอ้ทันชีอยู่ยนี้เรื่อยเนี่ยเราจะรู้จักเราเราไม่มีปัญญารู้จักความผิดชอบอย่างแท้จริงเอาพรรัฒนาใจหนึ่งพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์สประการนี้อารวมติจิตของเรา